เพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่โดยเพ่งเข้าไปภายในเพ่งตามลมหายใจเข้าออกเข้าไปกรรมเพ่งนี่ เหมือนอย่างเราจ้องสายตาไปหาวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละแล้วมันจะเห็นวัตถุสิ่งนั้นชัดเมื่อเราเพ่งสายตาไปดูถ้ากรอกตาไปมาอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นวัตถุสิ่งของ อันนั้นได้ชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราเพ่งสติเข้าไปภายในนี่ถ้ากว่าไม่ไปควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปอย่างนี้จิตพลิกไปพลิกมาอยู่ มันจะไม่รู้อะไรได้จะไม่รู้เรื่องราวของอัตภาพร่างกายอันนี้ได้ตามเป็นจริงว่าในอัตภาพร่างกายอันนี้มันมีอะไรอยู่บ้างทั้งที่ดวงกิดเนี่ยอาศัยอยู่ในร่างกายนี้แท้ แต่หาได้รู้ความจริงของร่างกายนี่ตามเป็นจริงไม่เพียงมันอาศัยอยู่เฉยๆนี่นะรู้ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละไม่แจม่มแจ้งรู้ว่ากายตนเท่านั้นเองไงบันี้ มาฝึกขนเข้าไปให้มันสงบลงจิตนี้เมื่อมันสงบลงมันจะพองใสคนธรรมดาแล้วพองใสแล้วมันก็ต้องมองเห็นแบบ น, นี้นะเหมือนอย่างสายตาเรายางว่ามาได้นะั่นเมื่อตานี่มันไม่บอดมันไม่สำลุดฟ้าไม่บังตาอย่างนี้ มองดูอะไรมันก็เห็นชัดสายตาเนี่ยแจ่มใสใจก็เหมือนกันเมื่อเราฝึกใครมันนิ่งเ <c oughs> <c oughs> มื่อฝึกใครมันนิ่งละอารมณ์ต่างๆภายนอกเสียหมดแล้วแล้วก็มาเพ่งอยู่ภายในนี่ <c oughs> เพ่งเท่าไหร่ มันก็ยิ่งเจ่มใสขึ้นเท่านั้นอันนี้มันเป็นวิธีที่เราจะพึ่งฝึ ก, กจิตให้มันเข้มแข็งให้มันพองใสให้พึ่งเข้าใจแต่ว่าการเพ่งนี้มันก็ลำบากหน่อยแหละต้องอดต้องทอนตามธรรมดาคนเอามันอยาปล่อย ตนไปตามยะถากรรมเฉยๆมันไม่ปรารถนาที่จะฝึกคำว่าเพ่งนี่ก็คือฝึกตนนั่นเองนะฝึ ก, กจิตที่อ่อนแอให้มันเข้มแข็งขึ้นนั่นเองให้เข้าใจความหมายของคำว่าฝึ ก, กจิตใจ ถ้าเราปล่อยให้มันลอยไปลอยมาอยู่นั้นมันไม่มีกำลังที่จะมาละกิเลสบาปประทมอะไรได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราปลึกให้มันเข้มแข็งขึ้น <c oughs> มันก็มีกำลังกล้าหาญที่จ ะ, ะเผชิญกับ เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องที่มายัวยวนให้หลงให้เมาไปตามกระแสของโลก <c oughs> มันมีอยู่ประจำวันเลยแนหะเรื่องต่างๆดังกล่าวมานี่ไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งผู้ที่ไม่ฝึกใจเข้มแข็ง ก็จึงได้วันไหวไปตามก็จึงดิ้นดนไปตามมันตกเป็นทาสของวัตถุต่างๆในโลกนี้อยากได้หิวหวยไม่มีเวลาสั่งนั่นแหละบูวัดเข้ามาแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ ก็เพราะความอยากความหิวของดวงจิตนี่แหละมันบังคับตัวเองให้หยุดนิ่งอยู่ภายในยนี้ไม่ได้มันยังได้ถูกตันหาฉุดคล้าไปแม้แต่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะเมื่อไปฝึกจิตอันนี้ มันก็ถูกตัณหาเนี่ยมันฉุดคร่าไป <c oughs> ทั้งที่ตนมีบุญน้อยวาสนาน้อยหาเงินน้าทองอะไรมาก็ไม่ใช่ว่ามากมายพอมีเงินมานิดหน่อย <c oughs> ก็อยากได้เมียน้อยไปแล้วผู้ชายก็ดี ทนไม่ไหวนั่นแหละตัณหามันสุดคล้าเอาเมื่อไปมีสองมีสามเข้าไปาก็แบกภาระหนักหาเลี้ยงกันหาเลี้ยงกันไม่ไหวก็เอาทะเลาะกาันทิ้งกันไปก่อทุกข์ให้แกกันแลกกันจิตใจทิมอ่อนแอ ตกเป็นคัพท่ า, ทาของตัณหามันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยมีอยู่ทั้มไปในโลกเนี่ยบุค ค, คลไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ไม่เคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่สนใจจะเอามาพิจารณา เดืองมันน่ะมิทยอมเป็นธาตุของมันไปส่วนเดียวไม่หยิบยกออกมาพิจารณาในใจเลยพระเจ้าพจานณาได้ยังไงอ่ะของไม่นั่งสมาธิภาวนาสักทีไม่สำรวมจิตสักทีไม่ทำใจให้สงบสักครั้งเดียวมันจะเอาอะไรมาพิจารณาได้อยู่นั่นน่ะ การที่จะพิจารณาอะไรได้น่ะมันมันต้องทำใจให้สงบสะก่อนใจสงบลงในปัจจุบันอารมณ์ภายนอกงั้งับไปก่อนแล้วบนั้นจึงค่อยหยิบยกเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตเนี่ยมาพิจารณามันก็เห็นได้ชัดเจนนนบัดนี้นะ พอใจตั้งมั่นลงไปแล้วเอ็นโทษของตัณหานี่แหละตัณหานี่แล้วมันทำห้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นทุกข์เดือดร้อนร้องให้รำไรเบียดเบียนกันก็เพราะตัณหาเนี่ยเป็นมูลเหตุ มันอยากได้อะไรต่ออะไรต่างคนต่างอยากสเสวงหาไปพอได้ไปขัดผลประโยชน์ของกันและกันเข้าก็หาวิถีทางกำจัดกันไปน <c oughs> ก็นี่ถ้าหากว่าผู้ใดมาฝึกใจให้สงบลงไป เราหยิบยกเอาตัญหานี่มาพิจารณาโดยเหตุผลต่างๆเข้าไปแล้วผู้นั้นก็จะบรรเทาตัญหาได้เมื่อบรรเทาตัญหาได้มันก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็อยู่ได้กันโดยสันติสุขมีอะไรก็แบ่งปันกันบริโภคใช้สอย โดยมาพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็แปรผันวันไว้ไปในที่สุดก็แตกกลับทําลายลงไม่มีใครได้อะไรติดตัวไปดังนั้นมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ละความห่วงความหวงความตะหนี่ต่งตางๆให้เบาบางไป เมื่อคิเลสเรานี่ยเบาวางไปมันก็ใช้จ่ายสมบัติที่แสวงหามาได้นีให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีไม่ปล่อยให้สมบัติเหล่านี้มันเป็นหมันไปเสียเปล่า <c oughs> บางคนก็ใช้จ่ายไปตามอำนาจของตัณหา ตัญหามันอยากให้ใช้จ่ายไปอย่างไรก็รใช้ไปโดยไม่คำนึงถึงว่าการใช้จ่ายเช่นนั้นนะ่ะมันเกิดประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ไม่ได้คิดมันขาดปัญญาเพราะอาวิชามันหุ้มหอ่อผู้ดใด ไม่ปล่อยให้อเวชาอาวิชาตันหาหมหอจิตใจ <c oughs> หาเงินหาทองได้มาแล้วก็ามาพิจารณาแบ่งสันบันส่วนใช้จ่ายให้มันเป็นประโยชน์จริงๆเช่นนี้แล้วผู้ครองเรือนทั้งหลาย มันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เกิดมาสร้างบุญบา ร, รมีไม่ใช่เกิดมาเป็นธาตุของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวมาสร้างบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าเพื่อจะเอาชนะตัณหาอันนี้ให้มันเด็ดขาดลงไปในวาระสุดท้าย ตอนนี้ก็ต้องอาศัยตัณหาไปก่อนตัณหาแปลว่าความอยากอยากมีความสุขอันเป็นแก่นสารความสุขอันไม่เป็นแก่นสารนี่ได้อาศัยมันมานานแสนนานแล้วมันก็ไม่จีรังยั่งยืนอะไรก็เมื่อความสุขหายไป ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาแทนดังนี้แล้วมันจะสมควรแล้วหรือที่จะมายินดีอยู่ในความสุขทั่วคราวเนี่ยนี่ก็ต้องคิดดูผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ไม่หลงงมงาย จมอยู่ในความอยากความปรารถนาอันนี้โดยส่วนเดียวย่อมรู้จักเลือกอาศัยตัณหาตัณหาอันใดมันไม่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษก็อาศัยตัณหาอันนั้นไปก่อน <c oughs> ตัณหา อยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้สมบัติพัะสถานต่างๆหมูดนี้นี่นะสำหรับผู้ที่ยังละตัญหาไม่หมดมันก็ต้องมีอยากได้เป็นธรรมดาก็เมื่ออยากได้ของเหล่านี้แล้วก็ต้องสเสวงหาต้องทำงานต้องหาการหางานทำ ให้เป็นร่ำเป็นสันมันก็ถึงจะได้สมบัติพระสถานต่างๆมาบริโภคใช้สอยถ้าเกียกรติครานทำการงานเกียกรติครานศึกษาเรื่อเรียนวิชาความรู้ต่างๆเช่นนี้แล้วมันไม่มีทางแล้วมันจะได้มาเป็นกรอบเป็นกรรม คนส่วนมากก็เนี่ยแหละเมื่อตกเป็นทาสตัญหาแล้วมันไม่เอาไหนอ่ะทําการทํางานนิดนิดหน่อ ย, ยอนนหน่อยพอได้เงินมาใช้สอยแล้วก็งดแล้วไม่เอาแล้วไม่บึกบือนงานยากไม่เอางานอันไดมันยากมันต้องใช้สมองมันใช้กําลัง กายกำลังความคิดนี่ไม่สู้อย่างนี้แล้วก็ไม่อดไม่ทนไม่มีความภาพเพียนยนี่งานอันละเอียดงานที่จะได้เงินได้ทองมามากนก็ทาไม่ได้เลย <S <S มเมื่อเป็นเช่นนี้ใจมันร่ำรวยได้ยังไงอ่ะนั่นเองผู้ที่จะร่ำรวยได้เขาก็ ทำงานอันละเอียดประณีตต้องใช้ความคิดความนึกใช้ทั้งกำลังกายด้วยใช้ความอดความทนความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยเมื่อเพียรไม่ท้อไม่ถอยมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นไปในตัวนั่นแหละ แก็ยังว่าปัญญานะี่ยมันเกิดจากการประกอบการกระทําไม่กระทําแล้วอยู่เฉยเฉยไม่มีทางหรอกมันจะเกิดปัญญาแม้ในทางธรรมก็เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมนี่มันก็เหมือนกับการหาเงินหาทองนั่นแหละไม่แปลกกันเท่าไหร่หรอกทำอันละเอียดสุ ข, ขุม อย่างนี้นะบุคคลจะรู้ได้มันก็ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามเพ่งอย่างที่ปลาลบมาแต่ตอนต้นนั่นเลยพยายามเพียรเพ่งพินิษอยู่ภายในไม่หยุดยัง้งแม้ว่าเราจะ ยืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรอยู่ก็ตามก็ต้องพยายามเพ่งเข้าไปหากายหาจิตนั่นต้องไปตรวจดูกายและจิตอยู่บ่อยๆตรวจดูความรู้ความเห็นเป็นปกติอยู่หรือไม่ความเห็นที่ได้บำเพ็ญมาไตรลักษณญาณปรากฏอยู่ เจมแจ้งอยู่ในใจหรือไม่ <c oughs> คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคำว่าไตรลักษณะญาณ น, นะญาณแปลว่าความรู้ความรู้ว่าร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงนะมันเจมแจ้งอยู่ในใจหรือไม่เนี่ยกูง่ายๆความรู้ที่ว่าขันห้านี่มันเป็นทุกข์ มันทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่มันปรากฏอยู่ในใจหรือไม่ความรู้ที่เห็นว่าขันธานี่เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวงังเมื่อเห็นมันแก่มันเจ็บมันตายก็ไม่ฟัง ความรู้อย่างนี้นะปรากฏอยู่ในจิตใจในี้หรือไม่นี่เป็นหน้าที่เราจะเพ่งดูอถ้าไม่เพ่งดูความรู้อันนี้มันก็จะไม่โผล่ขึ้นในเห็นเมื่อเราเพ่งพินิษอยู่ภายในออย่างนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตามัน มันก็ปลากฏดเจีมแจ้งในใจนั่นะเออเป็นความจริงแท้แท้สังขารร่างกายอันนี้ขันห้าอันนี้มันตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดคนถือว่าเป็นเราเป็นของของเราจริงๆ เทียงแต่ว่าเราอาศัยมันประกอบศาสนากิจกิตเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเรียกว่าเราได้อาศัยขันห้านี้เนี่ยปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยขันหานี่รักษาศีลให้บริสุทธ อาศัยขันห้านี่แหละเจริญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นอาศัยขันห่านี่แหละเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นในใจถ้าดวงจิตนี่ไม่ได้อาศัยขันห่านี่ก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้ เกล้าขึ้นในจิตใจได้สินคือการสำรวมกายวาจาอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อไม่ได้อาศัยขันหานี่ไม่ทราบวาจาว า, จาอะไรมาสำรวมกายสำรวมวาจาความประพฤติการกระทำทางกายทางวาจานี่ ถ้าสำรวมด้วยดีแล้วทำอะไรพูดอะไรก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยหมายความว่าเมื่อเราเว้นจากการกระทำที่เป็นบาปเป็นโทษแล้วนอกจากนั้นนะทำอะไรไปก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละให้เข้าใจเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยนี่ดังนี้เนะี่จึงว่าเมื่อ ผู้ฉลาดนะ่ะอาศัยขันหาเนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีสั่งสมบุญกุศลให้มันแก่กล้าขึ้นก็ธรรมดาผู้มีศีลเนี่ยอย่าว่าใครเขามาชวนทะเลาะวิวาทเขาด่ามาเงี้ยก็ไม่ด่าตอบขั้นขืนด่าตอบศีลก็าขาดศีลวาจานี่แล้ว ใจก็โมหมองด้วยความโกรธถูกความโกรธอันเป็นฝ่ายอากุสนมันครอบงมเอานี่มันเนื่องกันไปหมดเนะี่ยดังนั้นแหละผู้ที่ฝึกตนนะก็จึงไม่พยายามที่จะไปกระทบกระทั่งกับใครถ้าไปกระทบกระทั่งเขาแล้วศีลก็เศร้าหมองหรือว่าขาดไปก็ได้ แ้วถ้าใครกระทบ ก, กระทั่งมาก็ไม่ไม่สู้หาทางหลีกเลี่ยงเพื่อจะรักษาสินนี่ให้มันบริสุทธิ์ไว้มันได้แสนยากกลัวจะมีสินนี่มันก็ต้องฝ่าฟันกับเรื่องชั่วร้ายต่างๆดังกล่าวมานี่แหละไปก่อนคือหาทางหลีกเลี่ยงอดกลั้นไม่ส่งเสริม กิลเลสเหล่านี้ให้มีกำลังขึ้นดังนั้นจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ได้แล้วอย่างนี้จิตใจนี่มันกระพ่องแผวจิตใจก็ตั้งมัน่นลงไปพอสมควรทีเดียวแหละถ้าใจไม่ตั้งมัน่นชไหนละมันจะเอาชนะความกโกรธได้อะมันก็ไปผ่านทะเลาะกับเพื่อน ก็เรื่องไม่ดีต่างๆนานาขึ้นอ่ามันเป็นอยังไงก็เพราอใจมันตั้งมั่นมาเป็นเบื้องต้นแล้วมันยึงเอาชนะกิเลสยํายาบอันนั้นมามาถึงขั้นสมาธิมันก็ไม่ลำบากทลนี่น้อมใจลงสู่ความสงบมันก็เป็นไปได้ไวอันนี้แหละเพราะฉะนั้นะ ในพ้พึงเข้าใจเมื่อใจสงบแล้วปัญญานะไม่ต้องห่วงมันก็เกิดขึ้นเองมันแหละเหมือนอย่างไฟฉายนี่นะก็บอกมันก็ไม่เสียหัวเทียนมันก็ไม่เสียเรียกว่าทุกส่วนนั่น เป็นปกติอยู่อันนี้เปรียบได้กับการที่บุคคลมาปรับปรุงจิตใจให้สงบนี่เหละใจสงบอยู่ด้วยดีแล้วมันนี่มันก็เปรียบเหมือนกับท่อนไฟฉายที่มันไม่เสียมีสวิสอะไรก็พร้อมเมื่อต้องการแสงสว่าง เมื่อใดก็ไปกดสวิคนั่นมันก็สว่างออกไปั้นใดจิตนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเราฝึกให้มันสงบมันนิ่งอยู่ได้แล้วเวลาต้องการอยากจะรู้อะไรก็นึกถึงเรื่องนั้นพอนึกถึงเรื่องนั้นไอความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะกระจ่างขึ้นมา เหมือนอย่างเรากดสวิตช์ไฟสายนั่นเองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันฝึกอย่าไปปล่อยใจให้มันอ่อนแอท้อแท้ <c oughs> มันเกี่ยวกับฝึกนี่ใจนี่มันถึงว่า มันจะวันไหวไปมาเมื่อยังไม่รู้ธรรมของจริงแต่มันก็ไม่สูญหายมันไม่ใช่ว่ามันแห่งหรือวัตถุต่างๆถูกไฟเผาเราเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยอย่างนั้นแปลสภาพเป็นอะไรไปต่างๆไม่ใช่หรอกจิตนี้ เป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่ไม่แปลผันเป็นอย่างอื่นเหมือนอย่างวัตถุอันเป็นรูปต่างๆมูนั้นนะถ้าว่ามันแปลสภาพไปอย่างนั้นแล้วบุคคลจะฝึกมันไม่ได้เลยจะฝึกให้เข้มแข็งให้ตั้งมัน่นจะละกิเลส ก, ก็ไม่ได้ก็พูดง่ายๆว่าตายแล้วก็สูญไปนั่นแหละปะ ถ้าเป็นอย่างว่านะคอก็ไม่ต้องมาทำความเพียรละกิเลสตัณหาอะไรแล้วถ้ า, าว่าตายแล้วกายก็สูญไปดวงจิตก็สูญไปอย่างนี้นะเขาพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกอันนีนะ้ไม่มีใครจะมาสอนให้ใครละชั่วทาดีไม่มีใครจะมาสอนให้ละชั่วทาดี ต่อไปแล้วจะละชั่วทำดีไปเพื่ออะไรล่ะเพราะว่าอะไรมันก็ศูนย์ไปหมดเนี่ยอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีรูปร่างเท่านั้นเองนะดวงจิตนี่นะแต่มันทั้งมีอยู่ แล้วก็บุคคลสามารถฝึกให้มันตั้งมั่นลงได้เข้มแข็งได้ละความโลภความโกรธความหลงอะไรได้ละความรักความชังหมูนี่ถ้าฝึกให้มันเข้มแข็งแล้วมันละได้จริงๆรนะเรื่องอย่างนี้นี่มันสะพาะตัวใครตัวเรา ผู้ใดทําผู้นั้นแหละรู้เองอ่ถ้าผู้ใดไม่พยายามไม่ฝึกแล้วก็จะรู้แต่ว่าตนนั้นตกเป็นทาสของความรักความชังยอมให้ตัณหามันฉุดคร่าไปอยู่อย่างนั้นรู้แต่เท่านั้นไม่รู้เลยว่าตัณหามันแห้งไปจากจิตใจตัวเองาณะนี้ ตัญหามันเบาบางไปจากกิจของตนเท่าไรไม่รู้คนไม่ฝึกตนนะผู้ใดฝึกตนไปไม่ท่อไว้ถอยมันรู้เองเลยไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกตอนนั้นนะบอกแต่อุบายวิธีอกิเลสตัญหาให้กันเท่านั้นเองนะออืต่อจากนั้นไปแต่ละคนต้องทําอุบายแยบคายในใจด้วยตนเอง ก็สามารถที่จะละที่ลยตัณหาได้ก็จะขอฝึกใจนีให้มันตั้งมัน่นให้มันเข้มแข็งลงไปมันสำคัญอยู่ตรงนี้ให้พากันเข้าใจที่นี่ใจนี่จะเข้มแข็งได้ก็เพราะอาศัยอย่างว่านั่นแหละคุณธรรมหลายอย่างคุณธรรมมันสำคัญก็เคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วความ ความอดกั้นทนทานนี่นะเป็นตะปะทรรมเป็นเครื่องเผากิเลสตัณหาเบาบางไปเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาให้แหลมคมเข้าไปปัญญาเนีถ้าขาดขันติความอดทนนี่แล้วมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละดูงันความอดทนหนึ่งความเพียรหนึ่งสติหนึ่ง สัมปชัช ญ, ญะหนึ่งอันนี้สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นให้บำเพ็ญให้เกิดเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงตามธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังแสดงมา